เสียแรนักปิบัตินักบวชสิ่งเป็นหน้าของทายกองายุตาคับการปฏิบัติธรรมนะห้าปน้ำปกตปฏิบัติไม่ดีเหลือหล่ะก็แล้วพวกที่เดินตามหลังคือพวกอุบาสกอุบาสิกา ด้านในรัฐธรรมลบากปฏิบัติสิไปตามๆกันหมดเดือนนั้นนักปฏิบัติที่สื่อตามมาเน้นจึงเรียกนักบวชจึงควรเสนียตัวเป็นที่เสกให้นักบวชเราเป็นผู้นำของเขา หางนักบวเราก็ะพฤติปฏิบัติไม่ดีก็เหมือนกันกับคนที่เดินนำทางไปก่อนถึงทางจะอ้อมสะไ่คนเดินตามหลังก็เดินตามไปอย่างนั้นการแก้ไขกเหมือนที่แก้ไขกันเหตดนั้นนักปฏิบัติทุกท่านที่อุตาห์เขามาบวชในพระพุทธศาส น, น, น, นา ตั no tamam story, so nice. ้งใจน่าจะน่าจะปฏิบัติอบรมจนเพื่อสืบผลทุกสิ่งทุกแต่การทางด้านความดีเดือนี้ทุกท่านทุกคนจึงสนใจในผลการปฏิบัติไม่ว่าในวันใดคืนใดปีใดเดือนใด ต้องอุต่าห์ตั้งใจเพื่อจะจุดจบตจิงจังๆไม่อย่างนั้นจะเขีกวเคียผิดหลักแข็งแรงตั้งใจแต่ดังเดินทั้งตนศาสตร์เสนอทุกวันนี้แม้อยากจะมีคือบาอาจารย์หรือคณะอุบาสกอุบาสิกาบนกันว่าคนไม่สนใจในศาสเสนอ ถึงเรื่องอ น, นุชนรุ่นหลังว่าจะเลี้ยวแหลกไปไหมเพราะเขาไม่สนใจในเรื่องของศาสนาเราคิดแต่เรื่องของพวกยุวชนชป็นเอื่องมาโดยคิดยุวชนคนที่เกิดรุ่นหลังพออาศัยพ่อเนี่ยหรืออาศัยคุณตาอาจารย์นี่เองเป็นผู้นำพาขอนะงเขาหากพวกนี้ไม่เอาใจใส่ในขอวัดรปฏิบัต มนตั้งใจแต่คิดปฏิบัติจริงๆจรังๆแล้วพวกอนุชนเขาเห็นผู้เท่าผู้แยหรืออยูบางอาการ์ผู้เป็นผาเสือล่างในเสือล่างในตังแน่ตั้งศึกษาแต่คดปฏิบัติเวาก็คิดปฏิบัติไปไม่ได้เหมือนกันเพราะผูนาในเป็นสาระให้ นั้นนักปฏิบัตินักบวชคือเป็นแนวห้าหรือเป็นหัวหล้าของกางรปฏิบัติต้องสุขผลอบรมตนจริงจังๆหากไม่อย่างนั้นย่อมนักบันจะเสี่อมไปเฉพาะตัวและอันนี้เปนลิ้นหลังกางรปฏิบัติของนักปฏิบัติหรือการปฏิบัติ คือจะให้มีผู้สนใจในธำในวินัยก็เนื่องด้วยผู้ปฏิบัติมีความประเุท ด, ดีประเภทชอบทางสีลต่างหน้าต่างตารักษาทางความค่าความเพียรเป็นองคกรมภาวนาก็เอาใจส่นมิใชาจะสอนเขาแต่ตาอยากจะจะให้เขาดีแต่เรา จนจนแบบชินหรือผู้นไม่ทําจริงทำจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติรุ่นหลังเ้าจะดีไปได้อย่างไรคนที่ดูตัวออกแข่งจากเรื่องของศาสนาเกเพราะว่าพวกนักปฏิบัติในตั้งหนาตั้งตาโดเฉพาะปฏิบัติมีจริงต่างจริงพอแม่อที่สวัดิวายเพียงแต่สักจว่าเข้าเท่านั้น การจะเอาใจใส่ปฏิพฤติปฏิบัติหรือกลับมาจากวัดแทงที่จะมีศีลมีธรรมมีคาดีมาสากูฝากลานก็เลยไม่มีเพราะเข้ามาวัดไม่สนใจปฏติปฏิบัติออกใจได้จะดุดาล่าสาดุเล็กบุแดงเตุนั้นการเข้าวัดเมื่อเขาไมเห็นผลอย่างไรจากผู้ใหญ่ เขา่อาะห่างใจไม่อยากลอคิดปฏิบัติในเรื่องลอยไปสู่เรื่องอี่เรื่อนั้นสู่ปฏิบัติทาหัดก็เหนือยตัวที่นิชิตเจรณาจริงๆในเรื่องการปฏิบัติธรรมะจนตนเองเป็นผิดพอใจในเรื่องของตนทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรมีความ มั่นใจในธรรอยู่ไหนมีความมั่นใจในข้อวัดปฏิบัติคนอื่นเขาเห็นเข้าเข า, าออกา็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสพ่อแม่ที่เคยดูดาวาต่าเคยเจอเชิดเลยเฉิดตัดาเข้ามาอบรมศึกษาทำจากวัดจากวาไปมีทางปฏิบัต ด, ดปีประบัติชอบลูกเล็กเดกแดงเห็น นม่เคารพตาบ้านครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันอยาจะเห้แต่ลูกคิดลูกหาอยาจะเห้แต่คนอืนนอ่นเขาดีแต่ตนเองเดินจนกลมภาวนาไม่คำนึงคำนวณถึงมื่อจะที่ล้านานาที่อันอื่นนอกนั้นยังเพิเพลินในเรื่องต่างๆนาๆนาเช่น สังวิทยุดูโทรทัศน์ต่างๆนานาเหล่านี้แหละจะเด็กเเด็กแดงลูกศิษย์ลูกหไปดูขู่เชิญเขาตัวเอืองแล้วเหมือนคำนึํานวณถ้าหาูบาอาจารย์เนจะทาอย่างนั้นเขาจะไปทำได้หรือจะไบอกแต่เขาแต่เราเนียสนใจเมื่อมันเป็นเช่นนี้เขาก็บอกไม่เชื่อเรื่องของตูบาอาจารย์ รูปแบบการเลี้ยงนักบวชจึงเป็นของสําคัญในการประพฤติปจุบัตเป็นแบบชินสาคัญถ้าแบบชินดีเครื่องชินทุกอย่างจะต้องได้แบบดีไปดู้วยกันทั้งนั้นมีแบบชินไม่ดีเอาอะไรมาใส่มากินก็เสียหายไปหมดเสียนั้นพวกเราถึงเป็นนักบวชนักปฏิบัติ เขามาอยู่ในวัดในวาสองที่นี้พี่จะระนาอรมตนที่จะละนาตนแก้ไขตนในสิ่งที่ชั่วอยา่าใจเข้าใจว่าศาสนามันเทียมหรืออนุชนเทียมแต่ตัวของพวกเราที่อยู่ในวัดในวาเข้าพระพุทธศาสนาอยู่ทุกคืนทุกวันไม่ได้สนใจแก้ไขตนเอง เมื่อบอกคนอื่นสอนคนอื่นก็บอกก็ได้สอนก็ได้แต่การึปฏิบัติของตนเป็นไปอีกคนแล้วโลกละมุนเหตุนั้นเนี่ยคนอื่นจึงไม่สนใจเหยียดกันได้กับคนที่เป็นโลกที่ตากแต่ขายอย่างเขาจะประกาศว่ายาของเขาดีสักเท่าไรก็าตามถ้าเขาเป็นตากเป็นตัวอยู่แล้ว คนที่จะซื้ อ, อยาเขาจะต้องดูคนผู้จัดจำหน่ายหากยาจยรยิงจังทำไมปากในตัวของผู้จะคล้องยางยังไม่รักษาให้หายจะไปขายที่ไหนก็ขายไม่ได้เพราะจะคล้องคุณมากเต็ตัวอยู่แล้วจะไปขายยารักษาปากไม่มีคนซื้อเล่นได้แต่คนตาบอดหูหนวก ชาหักเต็าบอดยัางหดูดีเขาก็ยบกว่าเอา้าเจ้าของูที่มันมาขายมันเป็นปาเต็มตัวไม่จะไปซื้อทําไมเขาหูดีเขาเลยยินเขาก็มีซื้อเอยาจากคนที่มาขายอีกเหมือนกันถ้าหากทั้งดอดทั้ ง, งหลกจะขายได้บ้างก็เป็นได้ได้หากคนตาดีธรรมดาอย่างพวกเราอาจไม่มีใครซื้อเพราะเหตุว่าถ้าหัยามันดีจริงจริง โลกในตัวของมันซึ่งตัวของจะของเองเนั่นแหละเป็นที่รักรักยิ่งกว่าสิ่ทั่วไปถหากมียาดีก็จะต้องรักษาตัวให้หายไปเยอะก่อนจึงจะไปรักษาคนอีกหนึ่ตัวเองก็ไม่รักษาตัวโลกเป็นตัวอีกทาหากว่าคนนั้นแหละเคยเป็นโลกศาสตรเป็นตัวมาแต่ไหนแต่ไรไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายต่อมามีหมอปู่ ยื่นเสรินยาดีมาให้รักษาปากในตัวของเขาหายไปหมดไม่มีที่ไหนเหลือหลอหลอยู่ได้คนอื่นที่เคยเห็นว่าเขาเป็นคนโลกปากมาเดินนี้เขาเป็นคนดียืสารบันนะปกติปากแห้ไปไม่มีในเหนือในตายของเขาไปใช้า ย, ยาใช้าขาดเนี่ย ไปขายที่ไหนใครที่เคยเป็นกากเขาก็อยากไปซื้อเพราะโลกตาเป็นเรื่องที่ไม่ดีใครๆก็น่าเสียดเข้าสู่สังคมเสียดนั้นเขาจึงยารักษายามีเท่าไรก็ซื้อนนเอาเท่านั้นเพราะเจ้ของเขาเคยเป็นตาท้าหายมาแล้วความนี้ชั้นใดเรื่องาตามไปเพื่อตามทำตามดีมมหน่อยจีว่าพูดให้เจ้า มาแนะนำพันสอนพวกเราพระพุทธองค์เคยเป็นโลกกาคือโลกโกรธหลงมาจต่ก่อนแกกลับตามสำนึกยินยี้มจีตาถะเรื่องที่เหลือตัณหาเคยมึอยู่ในสันดานของพระองค์มาแต่เมื่อพระองค์มาตั้งหน้ า, า, าตั้งตาไปเพื่อปฏิบัติธรรมยู่ในเพื่อไถจิตใจของพระองค์ซึงเคยมีความโลกความโกรธความหลงมีที่เหลือตัณหา เส้นสิงสอนอยู่ในจิตในใจของพระองค์หายไปได้แนะนํำคำสอนใครเมื่อบุคคลผู้นั้ในที่นี้ที่จะรี า, าตา ม, ามคาคําสอนคือออกจากพระโอษฐ์ขอ ง, งพระ อ, องค์จะได้จับว่านี่เป็นธรรมจริงจริงจ้งแจ้งเมื่อประบัติปฏิบัติตามก็ห า, าจากโลกจากโกดจากหลุ่มได้เหตุนั้นแหละ ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของแม่สอนอยังสู่กับะพฤปฏิบัติให้ได้ส า, าระประโยชน์่งจากโทโกษคือความลบความโกรธความหลงที่เหลือตันหาอุปาทานต่างๆนี่พวกเราซึงเป็นผู้นำทำคำสั่งสอนมาจากพระพุทธเจ้ามาและน กันและกันตลอดถึงประชาชนคนละเมืองตัวพวกเราก็ะเพื่อปฏิบัติยังไม่ดีเหมือนเราก็ระเพ่า้าแต่ยืนทําคําสอนของพระองค์มื่ว่าการมีที่เหลือปัญหามีมาณนพะิคิเป็นเรื่องไม่ดีในงานอย่างนั้นอย่างนี้โลกโปรดหลงเป็นของไม่ดีแต่เป็นเอเล่าโลกก็เป็นจอมโปรดก็เป็นจอมใครมาแตะต้องนิดหน่อยไม่ได้ ตาดตาแดงขึ mind lifting, mind lifting ol, ้นหลงก็เพ็นจอมอีกเหมือนกันเพียดนั้นเนี่ยจะไปสอนคนอื่นให้เขาละโลกละโกรละหลงเพีดสะไหนเขาจะเชื่อฟ e ังคาสั่งสอนของผู้เปสอนลราเพราะตัวของเรายังมีโลกมีโกรมีหลงอยู่เพียดนั้นการที่จะให้ศาสนายืนยงถาวรการที Donald ่จะให้อนุชนรุ like ่นหลังการที่จะให้จิตญาณสึก เชื่อฟังคอยทอําทั้งตนก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติละความชั่วบําเพ็ญความดีสอนให้เขามีสติสอนให้เขามีปัญญาสอนให้เขามีความกล้าหน้ในการขากเพียรเดินจงกรมภาวานาเราเอง ก, ก็จะต้องรักษาปฏิบัติทั้งกาย ของเราก็เป็นแบบชินที่ดีสอนเขาอยู่ทุกการทุกเวลาวาจาของเราพูดออกไปก็มีทำมีินในเป็นตัดเป็นจริงหยุดของเราคิดแต่มีเมตตาสฉลสารเป็นแบบชินที่ดีได้ใช่ไหมหากไม่อย่างนั้นคนอื่นที่มาศึกษาเขาเห็นผู้นำ คือพระพิสุสา ม, มาเนินซึ่งอยู่ในศาสนาเอสเดลเทหฮายิ เ, เลปัญหาแสงหอแสงตาไม่แสงรวมระวังพูดจาปลาไสพูดไปแต่ทีร ส, ส า, มม า, สาเนกถาเหมือนกันกับพวกนักตัวหรือนักเลนต่างๆจะไปเชื่อฟังเอาอะไรล่ะจากพาทีิสุสา ม, มาเินเหล่านั้น เราต้องปฏิบ <Yes. S 1> ัติตัวของเราให้ตรงต่อธรรมยุไนเพื่อก่อนให้ดีเพื่อก่อนจึงค่อยแนะนำบุคคลผู้อื่นเมื่อภายหลังถ้าหาต่างคนต่างสนใจต่างคนต่างตัางเนื้อต่างตาประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างของหนูของคณนเป็นตัวอย่างของคนเองแล้บุคคลทั่วไปจะต้องสนใจเรื่องของศาสนา เพราะคิริยาเมลย่าของผู้ประพฤติปฏิบัติของนัก บ, บวชหน้าเคารพหน้าบูชาพูดจาราไยก็พูดใส่ในอัดในธรรมไม่กูดใส่ในทางเสียหายหรือส่งเสรมเสื่องของคิริเหปัญหาเวลาที่ไม่มีจิตทุเหน้าที่อะไร ก็ตั้งใจเดินตรงกรมภาวนาบำเพ็ญ็นเป็นตามตามสมณะของตนในจังวงคุกขีขูข่คุยจันอิสาเ ท, าทงญานจะทำบำเช็ญคุณงามความดีอยู่อย่างนั้นวัดวาศาสตรหนาที่อยู่ที่อาศัยเงือบสงบพูดจาเบา ก่างคนต่างหากเทียนเทวยาณตุดตามแส่ไขสิ่งที่ชั่วบำเทนสิ่งที่ดีสน่ำเสมอไปอย่างนั้นเรื่องขศาสนาที่เทียนสวมลงไปหรือที่ไม่มีคนสนใจก็จ ะ, จะเกิดมีผู้สนใจที่เพียงก็จะจัดเจริญขึ้นเนื่องด้วยผู้นําคือที่ 24, ส, สื่อสารมาเนยมีตาเทวยาณ บำเพ็คุณงานความดีจริ ง, ง, งจังๆการอยู่ในศนะาสนาจิตของี่สุสามแเนรจิตที่้งคันที่สุดก็คือการละที่เหน็ดบำเพ็ญจนให้ถึงอยู่มุกม่ใช่ยลักจิตอันอื่นเป็นจิตั้งคัญ การกจะทำททส่ ว, อวนอื่นเป็นผิดยอดเป็นผิดอาศัยส่วนตาส่วนเวลาเท่านั้นส่วนการลงเพื่อทำหลุดพ้นจากที่เหลืเป็นเรื่องสําคัญที่สุดถ้ า, าคุณเจ้าจรงสรรเสริญจิตอืนอ่นๆไม่ใช่จิตจําเป็นหนักแน่นและทำแต่เลกเดียวกว่าสำเร็จเสกิดขึ้นไป และก็จะตัดทำใหม่ส่วนเรื่องของใจหากเมื่อแก้ไขไม่กระเพื่อมกระตือรืนจิจังย่อมไม่มีมรำ ม, มีเวลาที่จะเข้าถึงความสงบสุขได้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นในการที่ให้พวกเราฝูนำของชายยกชา ย, ยาอุตส่าหอุตสาห์พยายามดังครับ ใจบาดใเจ็ใจทุขสุแก็ทำบำเชิญให้เป็นแบบกินของเขาทำกันจริงจรงจังๆงานอันอื่นเก็ไม่เสร็เพราะตั้งขึ้นแล้วก็ล้มแหลเวไปในว่างงานจิ้นใดเป็นงานของโลกเกร็จคราวนี้คางน่ า, นานนเกิด้งรู้ ในปลูกใหม่สร้างใหม่อยู่อย่างนั้นเพื่อนจิตใจของท่านผู้ที่บําเพ็ญกิจ ง, งามคามดีจนถึงที่ิ้นฐานไม่มีรันมีเวลาที่จะกลับกรอกหลอกหลอนว่าจิตมันเสีย่ยมเสียไปเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าถึงที่สุดแล้วไปที่ไหนถ้าพระพุทธเจ้าจรับรองเท่านั้นยึดที่จะไาถึง ที่สุดยืมุดยึดทานไดกก้ตัวขออาศัยพวกเรานะักบวชนี่แหละต่างคนต่างสนใจต่างคนต่างตาง่ตางหน้าต่างตาสมรักสิ่งที่ชั่วบำเพ็ญสิ่งที่ดีได้ทุกทีปีโมได้ที่เกียรติทานอิจารทะรวนัน บ, บังครับเต็มท้องเต็ม อยู่ในกอบั้งธรรมของดีไหมตั้งใจประพฤติตรบัติสี่อย่างนั้นวันคืนที่ผ่านไปทา่านดีเราได้กอบโกลอาไว้เป็นตัวของเราทุกวันทุกคืนทุกปีทุกเดือนไม่ได้เนาตัวแต่เวลานี้คิดอะไรทำอะไรซึ่งเดินไปในทางที่ชั่ว ตัวขอตัวเองในเหน่เราเคยไละหลวมไปทาความชั่วไปพูดชั่วหรือไปคิดชั่วเนื่อตัวของตัวเองตัวตัวงตัวเองเหวินด่าบริสุทธิ์อยู่ทุการทุกสมัยไม่มีวันใดคืนใดจะมีเรื่องยิ่งเหยิงหรืกาในตัวของตัวเรา คนอื่นเขาซึ่งมเห็นเขาเขาใจใจเตาทีิจเมื่อเห็นวิธาไม่บอกซ่องอย่างหนึ่งอย่างใดในตัวของผู้ศึกษาประเดินซึ่งเป็นผู้นำของศาสนาบริบูรณ์โดยขอวัดปฏิบัติบริบูรณ์โดยศีลโดยธรรมจะศึกษาทำนมะอะไรกับท่าน เนว่าขั้นต่ำขั้นกลางหรือขันถึงสุดทั้นแก้ไขหมดเรียงได้ทรงนั้นเพาจิตใจของท่านหลุดพ้นไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่ให้มันเชื่อมันล้วนไสมันก็เชื่อก็เล่อนใส่เพราะคนขั่วไปต้องการของดีเมื่อเห็นของดีต้องอยากได้เมื่ออยากได้ก็ต้องคิดตามท่านทําอย่างไร ถ้าเป็นใจเถิดความดีความดีเขาควรจะต้องผลใจศึกษาหรือตระที่ปฏิบัติเนี่ยกับจะคนเป็นโลกโลกศาสตร์หรือโลกถึกโลกอะไรก็ตามเมื่อเขาเห็นดาดีเขาก็จิอยากจะเอามารักษาตัวของเขาให้หายจากโรคเหตุนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนซึ่งเป็นนักตระที่ปติบัต จึงควรฝนใจอย่าเห็นแ ก, กนน่การหลับการนอนการเผลการเผลนการถูการคุยกันต่าง ๆ, ๆนานาเรื่องทั่วไปซึ่งเป็นฝ่ายต่ำจิตใจของเรามม่อยากชค่แต่ผลที่ไปติดตามหรือไปกระทำ เ, เรื่องฝ่ายต่ำยอมให้ผลเป็ น, นทุกข์ สัวนใครที่ดียอมเป็นของลำบากจิดใจในใจช่บในใจสนิทในใจติดตามแต่ถ้าหาผู้ใดบังคับจิตของคนใค้ระพฤุิแต่ปฏิบัติตามถึงความชั่วมันจะมาโย่คล้องมันจะมา ทักายไปให้ทำให้พูดให้คิดก็ไม่ยอมไปส่วนับความดีถึงใจหรืตายหรืออะไรย่างมันไม่อยากทําอยากพูดอยากาคิดก็บังคับจิตทั้งตนให้ทําให้พูดให้คิดผลที่เราอุตส่าห์พยายามจิดตามความดีบังคับจิตทั้ท ง, ททงหววใจทัง้งตนไว้ไม่ให้ไปพูดไปทำสิ่งที่ชั่ว จะได้รับความสุขความสบายพอตัวจท่องตวและลดเลิ ก, เลกคิดการบังคับกายรายจายจิตทั้งเนในทางที่ดีในมือถือตมิทธ์จนไรไปทำชั่วปูดชั่วคิดชั่วเศรดนีแหละเศวษเราจึงเป็นนักบวชจึงเป็นคู่น้ำ เ ข, ขาปลวกพายกพายยูตาทั้งหลายเป็นเชื้แร่เขาผูนําพาทางการประบัติปฏิบัติศาสนาหากพวกเราไในสวนใจในแก้ไขเรื่องของตัวเองที่ขั้วอยู่อยากจะให้าศาสนาเจริญอยากจะให้คู่คนสละโสนยินดีประบัติปฏิบัติแต่ตนเองตึงอยู่ในวัดวาง ก้าสาสเณรไม่สนใจแก่ไขความผัวของตนมันก็เติมใจไม่ได้อยู่เงเพราะตัวของเราเป็นเสาสาคัญเราได้เข้ามาบวช เ, เป็นพระเป็นเนรไปแล้วนิสัยเราเป็นฆราวาสิตการทุกด้านของฆราวาสเราไม่ได้ไป ก, กระทำวันคืนที่ผ่านไปมีแต่ตัางใจแต่พึงต่จีบัด แกไขสายชั่วบัเทนสายดีอยู่เสมอเสมอไปครังเขายากในโลกแต่โกเทหลงตัวของเราเองกาละได้เรื่างโกเรื่องโกเรื่องหลงังเขาไม่เถิดเถิในตาหหัวและสพควบงานต่างๆตปนเองกัวอยู่สงบเงียบจิในเค้าตาดูใฟัง หนังละครยุทธยุทธวระครับสอนเขาให้สงบสับตัวของเราก็เป็นผู้สงบสงบอยู่แล้วนี่แค่สองเขาให้สงบสงบกต่เติมเองเติดยุทธยุฟังอยู่วันอย่างาำคืนอย่างลุนอย่างรุนสอนเขาให้ดัวในในการดูหลังฟังลามเต้นเอื้อขาดไม่ได้อย่างนั้น ย่อมเป็นไปเพื <fence> <c processo> ่อความผิดหาแก่คนตนเองเรื่นั้นจึงควรต้องรักษาเป็นท้องตนอยาจะให้คนอื่นดีเราต้องทาความดีให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างเราพูดอย่างไรเราต้องทาอย่างนั้นนิสัยว่าพูดสอนแก่คนอื่นเขาแต่เราไม่สนใจเมื่อเป็นคนหนึ่งผู้ที่มาศึกษาเขาก็จะไม่ตั้งใจ รรฟังทาของบุคคลผูนั้นเลพูดไปแล้วเขาก็ไม่เชื่อไม่ยินดีเพราะตัวของผูบพูดยังชั่วอยู่เหมือนกันกับคนที่กลไปขายยารักษาโรคต่างแ่มีใครสนใจที่จะซื้อนี่แหละเรื่องสำคัญในาการปกปิดการค้ยากกพ อย่าให้คนอื่นเขาเชื่อเขาหลวนใส่อย่าจะให้คนอื่นเขาดุเข้าดีจะเป็นเองในสมใจแย่ใข่ตัวเองสอนคนอื่นให้ขาดให้เพียนตนเองในขาให้เพี่ยนในพยายามจะทำคุณงานตวามดีล้วจะสอนจะทาใหม่ใครเขาจะเชื่อเี่ยวนั้นคือเรืงที่จะราเงานตนของตนนั่นแหละเป็นของสําคัญอะไรที่ทำให้ เราเสียหายทางตายของเราทางวาจาของเราทางใจของเราเราคิดไปอย่างไรทำไปอย่างไรโลกทั้งหลายจึงไม่เชื่อในเ่เรื่องใจไม่ยินดีแต่เพื่อปฏิบัติไม่สนใจในเรื่องของศาสนาก็เพราะเราผู้ที่อยู่ในศาสนาเศ้าศาสนาเป็นผู้รักษาโมระดกโดอธรรมะยินดีของพระพุทธเจ้ายังเป็นผู้เสีย่ยมผู้เสียอยู่ ยังไม่ดีไม่ดีอะไรแต่ไปยืนกับคำพูดของครูบาอาจารย์หรือของพระพุทธเจ้ามาสอนเขาแหกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าดีจริงครูบาอาจารย์ดีจรเป็นเองก็จะตั้งประพฤติจริงปฏิบัติจริงจนให้เกิดผลดีเห็นจริงในจิตในใจของตน คนอื่นเขาถึงจะสนใจหากว่าอย่างนั้นการจะปฏิบัติของตนเล้วแหลกอยู่แส่นคนอื่นจะแส่วนไปเท่าไรเขาก็ไม่เชื่อไม่เล่อนใสการแส่นคนอื่นต้อมองดูตัวของตัวเจ้าก่อนอยาจะควรอย่างไรเราทําได้หรือไม่สองที่นี้คือจารย์แม่หาในทบทวนเยก่อนอยากอยาจะสอนพูด ไปรันอย่างข่ำกว่ามีใครที่จะนําไปที่นี่ที่จะอะไรมาเพราะฮะไปรับประโยชน์ฮาเหตุฮะผลมีได้นี่แหละเรื่องของศาสนาเรื่องของอารมณชนไม่สนใจเพราะผู้อยู่ในธรรมในยู่ในสิ่งเป็นชักที่สุสามไม่เนิ่นไม่สนใจตั้งแน่ตั้งตาตั้งเลิกปฏิบัติรักษาเป็นข้องตนจริงจัง หาเาตาเป็นแบบพิมพที่ดีใหญ่ถ้าไอาเล้ยงเจ้าแต่เตาก่อนท่านไปบอกไปสอนสถานที่ใดได้รับผลประโยชน์ครเห็นสน อ, อกเหนใจในจีวิ่งยากใายากของท่านในคำพูดของท่านในการประชิดปฏิบัตของ ท, ท่านท่านทำจริงในสอนจะ ต, ตากใจของท่านกว่าทำ ถอนข้าใจของท่านควรมีเมตตาสงสารสัตว์โลกจริงๆมีพวกเราเป็นอย่างนั้นตอนกำแพงแต่พระอริยเจ้าจะเตากว่าเราจะเตาเหนือกว่าเขาเหนือฝนใจเขาตีตัวออกแห่งเหยื่อของสาแสาแต่ตัวของเราตีตัวออกแห่งไม่ไปที่นี้ที่จะลอยน้ำทุกท่านทุกคนฝนใจแก้ไขตนเอง ตั các bạn ้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติรักษากายรางกายเนี่นใจของตนไม่้นใจสิ่งใดยิ่งกว่าการเจวะไขที่เหลือปัญหาออกจากตัวของตัวทุกคืนทุกวันมุ่งหน้ามุ่งตาเจอะตาจะเจอไข่เรื่องของที่เหลือปัญหาที่มีอยู่ในกายร่าจกายใจของตนจิตอืนการใด ไม่สนใจยิ่งกว่าการปฏิบัติเชือตนของตนให้คนถูกแล้วศาสนาที้แม่จะเสียมไปทั่วโลกกว่าตาแต่ตัวของเราจะเร่นอยู่กื่อว่าศาสนาจะเล่นอยู่ไม่เด้อดเดือดหายไสถานที่ใดเพียงเราคนเดียวจะเิดจะปฏิบัติยิ่งยิ่งเถื่อนจริงในทำในดีในเข้าใจจริงจัง ดับวิลดาจาก จ, จิจาจใจทั้งคนจริงจังคนอื่นเขาจะเสื่อมตปสัาไรร่ก็เหมือนตัดเจที่จะทำตัวของตัวให้เสียหายไปได้เราคนเดียวเท่านี้หากากระเพาดีปฏิบัติชอบจนถึงทีง่สุดมีมดมีทานจริงีอาจจะกอโากยัสัตว์โลกใ้าคนทุกไปได้จ็เมือนมากเหมือนกันอย่างพระพุทธเจา้า ท่านประพฤปฏิบัติพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นเนี่ยถึงที่สุดบ้าข่วนสาวกปู่สนใจเท่าความดีก่อต่างแม่ต่างๆประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ก็ได้พ้นไปเป็นจำนวนมากนั่นสมัยกุฏาการสมัยปัจจุบันผมเหมือนกันที่คนไม่เชื่อศาสนาที่มีตัวออกห่างศาสนาที่ในสนใจในธรรมะธรรมุกกิดเพราะเหตุที่ว่า พวกเราสึ่งเป็นสาสนทายเจ้าตืบมอและดกเม่าจากชาวพุทธเจ้าไม่ตั้งแน่ตั้งตายแก่ไขกายราชใจของตนผลใจสิ่งชายนอกเรื่องชายนอกยิ่งกว่าการกวดไทยเกิดปัญหาเกิดนั้นเรื่องของศาสนาจีงเสื่อมไปเสื่อมไปจากกายจากใจของเรานี้ก่อนนิชัยอากจะเสื่อมจากชายยกอุบาสกอุบาสิกา เกี่ยจากที่สุ่สามเมลงนี้ก่อก็พราะูนนำทาผิดเขาถึงมาสนใจการจีนจะแก้ใช้เป็นเองที่เป็นผิดที่พวกเราทุกท่านทุกคนเป็นนักบวชก็ต่อที่นิสิตกอลามาแต่เพื่อตะกี้ดักจริงจงจังๆนี่ใว่าจะมานอนอยู่ในวัดในว่า กิเลสปัญหาก็จัดหาไปเองอย่าไปเนึกไปคิด อ, อย่างนั้นถ้หาหลกนึกคิด อ, อย่างนั้นไม่มีรันมีเวลาจึตใจทั้งตนจะสกเยียดเย็นไปได้พอเรื่องกิเลสปัญหาก็เหมือนกันกับสิ่งทั่วไปหากไม่กะทําบำเพ็ญยอดเกิดจนขึ้นไม่ได้เร่องของทุกสิ่งทุกอย่างจิตข อ, ง, องเราที่ชั่ว เลอกคิดติดตาเรื่องท้องตามอารมณ์ต่างๆก็เพราะเราส่งกแสจิตออกไปจิตตังเห็นก็สนใจอยาดูได้ยินก็สนใจหยากฟังเรื่องธรรมะธรรมโมเห็นเลยนใจดูได้ยินเลยสนใจฟังไม่เกไมคิดว่าชีวิตของเราเป็นนักบวชหรืออะไรวม่เกไม่คิดว่าเราเป็นชีวิตติดามเร ทรงกระเสียจิตไอย่างไรสาละเหตนั้นควรพากันสนใจเ่งของตนเองข้าวาอยู่ในวัดในวายต้อปิบัติปฏตให้มีขอบเขตอินดีต้งวอนอรวมตาหัวจมูกที่ายใจของตนไม่ให้ใจยินดียิน้ายในกาอารมณ์ต่าง หาผู้ใดมีการต้องวนระวังกายรายจ่าทั้งตนได้อย่างนั้นจิตใจที่จะส่งออกไป จ, จากตัวมีสติรู้และลกอยู่สมมเส ม, มอพอมันจะออกไปผักตัวข้างมันไว้ว่าการออกไปข้างนอกค่อยออกไปเป็นเวลานมแรงไม่เห็นได้คุณงามคามีอะไรสอน จิตถอนใจคงสนให้สงบเข้ามาเพราะเรื่องการตั้งวมระวังเป็นทางสู่พระพุทธเจ้ารับรองว่าเป็นทางที่ถูกหากเราต่างคนต่า ง, งสนใจต่างสั้งวนระวังใจบาใจใจคงสนไม่เหตุเกิดเรื่องของความชั่ว เราเลิกเลิกคิดติดตามต่ารโงทีดีมีตาพรายามบังคับจิตบังคับใจบังคับตายทุทกส่วนให้เดินตรงกลมพาวันน่ต่างหน้าต่างตาทีาิสิเจนน่ะอะไรละ่างตาส่วนปนขาตเนขันให้รูให้าใจ เ, ใจจ ข, เข้ใสจับัดเจนความกำนัดยินดีในรู้ก่จะหายไปความกำลัดยินดีในเสียงกาจะหายไปเราะ ที่เราไปกำหนดกินดีเราไม่เคยคิดทายดูว่าสวยงามหสดเปลอย่างไรหากเราไปืิอทายดูด ท, ยดที่นิพพยนารณาดูจริงจังจิตใจจะไม่ยั่งเข้ า, าถึงความเบืน่นะ่ย่อมไม่มีเพราะอะไรจึงมีอยู่ในใจของบุคคลหรือสัตที่เราไปกำหนดยินดีเป็นขอสต่จีโกนเป็นข้งหน่เกลียดทั้งนั้น แล่เราทุกท่นในเดกที่พิจารณาจิตใจของเรายึ่งเกิดที่เหลือปัญหาหาทั้งรวมรักษาเล่าลั่นใจไว้พิจาราตายทั้งตนใหเห็นใส่จักทัเจนลงไปแต่พิจาราเป็นอายุจังท่าไม่เปลี่ยนของร่างกายไม่ไส่วนใดเย็นไจทุกวันทุกคืนทุกปีทุกเดือน ไม่ยังยืนแลไม่คงที่นำแต่ทุกมาให้ส่วนฝุ่ไม่เวยมีสิ่งใดที่ตายกั่นื้อเมื่อทุกสิงทุกอย่างที่เราชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีจะบังคับบัญชาให้มันตั้งอยู่ตามจิตของเราชอบอยอาเป็นไปเน่ามเมื่อเราที่จะนมาไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกครั้งอนัตตา อยู่สม่ำเสมอไม่ส่งกระแสจิตเล็ดคิดติดตามไปเรื่องทั้งโลกจิตใจจะไม่สงบไปหรือจะเป็นไปได้นี้เพราะเราทําอยู่ทุกวันทุกเวลาเราบังคับอยู่ทุกการทุกสมัยใจมันหนีช่องที่จะออกไปสู่อารมณ์ภายนอกว่าเล็กเลคิดติดตามต่าวๆเรื่อ ง, องทอีท่ทำอยู่สม่าเสมอไปทํำยังไงจะไม่เกิดขึ้นในกายในใจของเราได้อย่างไร ชาตันที่นิพพย์เจนมาเกิดไขเพราะพวกเราเป็นผู้นาของศาสร์นอหาพวกเราเป็นผู้จะเชิดชูนำทางิตพวกสารุสิตรืออริยนก่อจะพากันหลงทางไปเสียหายไปเหตุนั้นนักบวชในอาชีพสัตว์มโนรมจึงควรพ้นใจเกิดไขควนทีชั่วทังตน บำเพ็ญผลประโยชน์คือคลงานความดีให้เกิดมีในตนทั้งตนจนจิตใจได้รับความสงบสงัดหรือพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารแต่ส่วนนั้นจึงขออาลาธถมาทุกท่านทุกคนสอนใจแก่ไขสิ่งที่ชั่วบําเพ็ญสิ่งที่ดีแต่เพื่อปฏิบัติตนทั้งตนให้ตนแบบชินที่ดีอย่าไป วนวายหรือกังวลในเรื่องการงานส่วนอื่นเมื่อต่างชาติต่างคนสนใจแต่เพื่อปฏิบัติแก้ไขสิ่งที่ชั่วบัณฑิตสิ่งที่ดีศาสตสนาสิ่งที่โลกเขาสมมติว่ากำลังเปลี่ยนก็จะเปรียบเท่าแน่ขึ้นในกลัวของพวกเราทุกต่างแน่ต่างชาติเพื่อปฏิบัติเมื่อเราเป็นแบบทิ้งของเขาได้ดีอย่างนั้น บุคคลผู้สีนใจใช่ต่อการประพฤติปฏิบัติก่็จะได้แบบชิมที่ดีนำไปใช้จะแก้ไขเรื่องที่เหลือปัญหาของเขาผลที่สุดเรื่องของสาสนาก็จะเจริญก้าหน้าขึ้นไปอีกได้นี่แหละความเที่ยงและความเจริญของสาสนาเกิดขึ้นจากผู้นำคือผู้สื่อสารมาเนียนพวกนั้น พวกเราทุกท่านสึ่งเป็นที่สูกตามเนต์จึงควรสนใจแสไใสตัวเองตัวยาให้คนผู้เล่นศาสนาทำร่ายศาสนาเหยียดย่ำศาสนาให้เป็นผู้เชิดชูศาสนาบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์อุตสาห์เปรยายันทำบุณงานความดีขส่พ้ะวีคุ้นขึ้นต่อไปความสุขใาสบายใจ ส่วส <Se> ิ่งที่สาปนาของเราที่ท่านทุกคนก็จะเกิดสีสุขในตนของคนสาปนากัณนับวันนับเวลาที่จะเจริญรุ่งเรืองหนอวสานตามอธิบายทธาขอความสุขทางเจริญควรเกิดมีแต่ธรรมนับปฏิบัติควรเนี่ยบำเพเยหงอันทีนนี้นี่ยเมนี้ 你能够光到亮吗？老板，嗯，看看，这个几个菜嘞。<laughs> <laughs> <我> <laughs>